มะยังพันเตวิสุงวิสุงลาขนาทายะติสรารีนัสหาปัญจะศีลานิยาจามะพระมหาเถระท่านก็ไม่ได้อธิบายเรื่องของศิลป์ให้แก่ลูกหลานพี่น้องประชาชนได้รับว่าศิลมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไร รักษาอย่างไรคือท่านเข้าใจว่าพี่น้องลูกหลานในประเทศไทยเป็นประเทศพระพุทธศาสนาคงจะเข้าใจเพราะว่าปู่ย่าตายายก็เคยไหว้พระรับศีลอันนี้ท่านก็เลยไม่ได้อธิบายเรื่องของศีลให้แก่ลูกหลานได้ฟังได้ศึกษาแต่อาตมาภาพได้สังเกตดู ลูกหลานที่เกิดใหม่ใหญ่ทีหลังพอเข้าโรงเรียนก็จริงอยู่แต่ว่าเรื่องศีลและธรรมนั้นเรื่องศีลห้านั้นรู้แต่รู้แบบผิวเผินรู้แบบไม่ลึกซึง้งแต่ตามไม่จริงศีลธรรมศีลธรรมของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติขึ้นมานั้นเป็นข้ออัธรรมที่ลึกซึง้งถ้าเรานำมาวิเคราะห์เป็นข้อข้อและเป็นประเด็นประเด็น เข้าไปแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าศีลห้าของพระพุทธเจ้านั้นมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนต่อโลกอย่างมากแต่หากว่าพวกเราเคารพในศีนลธรรมเคารพในศีลห้าของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นหลวงพ่อเองก่อนที่จะให้ศีลทุกครั้งไปในะสมาคมต่างๆหรือนา น, านๆจะอธิบายเรื่องศีลและธรรม ให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาวันนี้จะไม่อธิบายเรื่องนโมและพุทธทางธรรมมั่งเพราะพวกเรายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นจรณะเป็นที่พึ่งอยู่แล้วหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องศินห้าข้อที่หนึ่งปาณาติปาตาเว ร, รมะนีสิกขาปัทังสัมาทิยามิข้าพระเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าพระพุทธเจ้า ศีลห้าของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศีลของพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นในครั้งพุทธกาลแต่พวกเราได้ศึกษาในชาดกต่างๆก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในโลกศีลห้าเนี่ยเป็นศีลห้าประจําโลกมาตั้งแต่ดึกําบันเหมือนกับกฎหมายกฎหมายโลกออลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้ายุคใดสมัยใดเคารพในกฎหมายคือศีลห้าเนี่ยโลกในยุคนั้นก็ร่มเย็นเป็นสุข เพราะนั้นพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าของเราท่านก็เอาของธรรมชาติที่มีอยู่แล้วมาบัญญัติขึ้นมาในศาสนาของพระองค์พระองค์บัญญัติว่าปานาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาปัทังสมาธิยามิพวกสูรเจ้าทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายถ้าอยู่ด้วยกันอย่าคิดฆ่ากันถ้าว่าพวกเราคิดฆ่ากันพวกเราคิดฆ่ากลุ่มนั้นกลุ่มนั้นคิดฆ่ากลุ่มนี้ คนนี้คิดค่าคนนั้นคนนั้นคิดค่าคนนี้ต่างคนต่างคิดค่ากันพวกเราจะหาความสงบร้มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะเหตุว่ามีแต่เวรแต่ภัยจากนั้นก็เตรียมสัตราอาวุธเพื่อจะรับปกป้องตนเองผลที่สุดก็ห้ำหั่นซึ่งกันและกันโลกยุคนั้นสมัยนั้นจะหาความสงบสุขไม่ได้เพราะเหตุลไยเพราะโลกขาดศีลขาดศีลธรรม เพระพวกเดจาวาธาโลกในยุคนั้นงดในการฆ่าไปที่ไหนก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่มีอะไรระแวงแคลงใจกันพวกเรานึกดูก็แล้วกันอยู่ที่ไหนก็ร่มเย็นเป็นสุขไปหมดเพราะเหตุไรเพราะคนในยุคนั้นมีศินนี่แหละสินข้อที่หนึ่งถ้าว่าเราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าวงศาคณาญาติของเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาฆ่า ลูกสามีภรรยาพ่อแม่ของเราเรามีความรู้สึกอย่างไรนี่แหละคือสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอธินาทานถ้าเราไปขโมยของเขาขโมยพ่อแม่ของเขาไปเรียกค่าไทยขโมยรถ ล, ลาม้าวิ่งของเขาไปเรียกค่าไทยอย่างนี้เขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขามาขโมยของเราก็เช่นเดียวกันเรามีความทุกข์เหมือนกันเมื่อเขามาขโมยของเรา พ่อที่สามกาเมสุมิจฉาจาราวร์มณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสังวนห่วงแหนของเขาเพราะตระกูลของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจแต่ให้เคารพสิทซึ่งกันและกันถ้าทําตามประเพณีของออในยุคนั้นเผาพันธุ์นั้นๆไปสู่ขอกันอนนั้นตามประเพณีมันเป็นของโลกอยู่แล้วแต่ถ้าเราทําไม่ถูกต้อง มันเป็นการเหยียบย่ำช้าใจซึ่งกันและกันเพราะนั้นสินข้อที่สามก็เป็นสินที่อันตรายให้เคารพสินข้อที่สามข้อที่สี่มุสาวาทาเวรมณีอย่าไปโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาถ้าเขามาต้มตุ๋นหลอกลวงเราเรามีความรู้สึกอย่างไรเราเสียใจใช่ไหมถ้าเราไปต้มตุนเขาเขาก็เสียใจเช่นเดียวกัน ก้นนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันจะต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาอันนี้คือสี่ข้อที่สข้อที่5สุราเมระยะมชับประมาศการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนดื่มสุรายาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้าคัญชายาฝิ่นเข้าไปแล้วคนขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทาความชั่วได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติ คนขาดสติเหมือนกับเป็นป้าไกลๆลักษณะอย่างนั้นแหละเป็นบ้าชั่วคราวในเมื่อขาดสติแล้วเราน่ากลัวคนขาดสติถ้าขาดสติท้าวอยิ่งน่ากลัวถ้าเขามีสัตราอาวุธอยู่ในมือเพราะนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าดื่มเข้าไปแล้วต้องขาดสติต้องเมาเราจะไปดื่มทําไมเราอยากจะขาดสติหรอต้องถามตนเองนะถ้าไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นเขาไม่ควรจะดื่มสุราเพรคนดื่มสุรา เมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าลูกสามีภรรยาได้ทั้งนั้นขโมยของใครพอได้ลาบ ล, ล้วงสามีภรรยาลูกหลานใครพอได้โกหกใครก็ได้เพราะเหตุไรเพราะคนขาดสติศินข้อที่ห้าเนี่ยเป็นศินอันตรายข้อหนึ่งในห้าข้อนั้นไม่แพ้กันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายรู้แล้วว่า ศีลห้าของพระพุทธเจ้านะมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรสมควรจะให้ใครเป็นผู้รักษาจะจะให้คนนั้นคนนี้รักษาใช่มตัวเองไม่รักษาใช่ไหมศีลห้าของพระพุทธเจ้าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านถ้าว่าพวกเราต้องการความสงบพรมเย็นเป็นสุขในชุมชนในประเทศชาติในโลกของเราพวกเราท่านทั้งหลายควรจะมีศีลห้าอยู่ในกายวาจาของพวกเรา เมื่อพวกเราท่านทั้งหลายรู้แล้วว่าสินห้ามีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสินนะโมตัสสะปะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทตะนะโมตัสสะะคะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธตะต นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาเนปันจาศิขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนโะโอกาสัมปทาสีเลนะนิผูติงยันติตัตสมาสีลังวิโสธาเย พระมาจะโลกาทิปติสหมปติการอ่านชลีอันทิวลังอายาจาธาสันติธาสตาปราชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะจังวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่อัตมภาพได้ขึ้นมาบนธรร ม, มาทผู้นนมนต พระมีสำนักพุทธหลวงพ่อเฉลิมหลวงพ่อชินคงจะหาครูบาอาจารย์ทางอื่นไม่ได้ก็เลยหลวงปู่ล่าท่านเคยพูดว่าหากินใสบอ่อใดเปลืองไกลในหลกแต่ภาษาภาคกลางคงจะไม่เข้าใจนะค่อยมาสืบอถามอีกก็ได้ว่าคำนี้เป็นคำพังเพยว่ายังไงแต่หลวงพ่อก็ยินดี ที่จะได้กล่าวสังเวนยัคขาอย่างที่อรรมภาพเตหลวงพ่อได้กล่าวมาหลายครั้งอย่าไปถือว่าหลวงพ่อเป็นองค์แสดงธรรมเพราะในสถานที่นี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สําหรับหลวงพ่อเองหลวงพอ่อรับเคารพในองค์หลวงตาเพราะองค์หลวงตาเป็นผู้ เ, ออเป่ากระหม่อมหรือว่าเป็นผู้เสกเป็นผู้ทุบตีเป็นช่างเหล็กออตี หลวงพ่อให้เป็นมีดเป็นพ้าขึ้นมาได้เพราะองค์หลวงตาเพราะนั้นหลวงพ่อมาณ ส, สถานที่นี้แต่สมัยองค์หลวงตาอยู่หลวงพ่อเองจะไม่กล้ากล่าวเรื่องความคิดเห็นอะไร เ, เกือบว่าทั้งหมดในเป็นส่วนธรรมะเมื่อหลวงตาละขันไปแล้วอันนี้มีแต่พี่น้องศรัทธาญาติโยมเข้ามา ในงานองค์หลวงตาเพราะนั้นพี่น้องเข้ามาหากันพวกเรามีความทุกข์อย่างไรมีความไม่สบายใจอย่างไรพ่อพ่อของเราเได้ละจากพวกเราไปในฐานะที่หลวงพ่อเป็นพี่ส่วนหนึ่งแต่หลวงพ่ออาจจะเป็นพี่รุ่นกลางกลาง อ, อย่างนั้นแหละหลวงพ่อก็จะได้กล่าวสังเวทยถา ให้แก่พวกน้องๆที่เข้ามาร่วมงานในวันนี้เพื่อเป็นการศึกษาเรื่องเป็นแนวทางว่าพวกเราจะเดินกันอย่างไรจะปฏิบัติกันอย่างไรและว่าความเป็นมาของหลงตาอย่างไรเนี่ยอย่างหลวงปู่เพงที่นั่งตั้งซ้ายของหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นเจ้าวาดวัดถ้ำกงเพลนแทนจากหลวงปู่ขาวอนารโย ที่ท่านเป็นนั่งรถเข็นเนี่ยอันนี้ก็เป็นพี่ชายใหญ่ของพวกเราสมัยก่อนท่านก็เป็นเดนของหลวงปู่มั่นสมัยยุคหนองผือนาในเป็นสมันนสมมณ์นเดนสัมมณ์เดนเพ่งหลวงหลวงปู่ล่าเคยพูดให้ฟังหลวงปู่สมัยนะั้นหลวงปู่มั่นท่านก็หาเดนยากไม่ค่อยมีใครบวชถ้าบวชก็ไม่ค่อยจะมีใครมาอยู่ป่านรงคงพายแต่หลวงปู่เพ่งเนี่ยท่านเป็นชาวเยสโซทอน ขึ้นมากับครูบาอาจารย์มาอยู่กับหลวงปู่มัน่นบั่นน้องผือนาในาห่างไกลสมัยนั้นมีแต่เดินทน่านไม่มีทางรถที่จะมาได้ท่านก็มาอยู่กับองค์หลวงปู่มัน่นหลายปีพอปีสุดท้ายออกพรรษาแล้วท่านก็มาบวชออกมาบวชข้างนอกนะบัณฑ์น้องผือนาในาไม่มีโบสถ์ไม่มีสิมมาท่านก็มาบวชอยู่ข้างนอกแถวอำเภอพน น, นิคม พอบวชเสร็จแล้วท่านก็กลับเข้าไปพอกลับเข้าไปแล้วก็นี่ยแหละก็ได้กลับออกมากับหลวงปู่มั่นในพรรษานั้นแปบลบว่าหลวงปู่เพง่งไม่ได้จำพรรษากับหลวงปู่มั่นเป็นพระนะท่านเป็นเนนอยู่หลายปีสี่ปีกามังที่ตามประวัติของหลวงปู่นะอันนี้ทางว่าใครอยากจะรู้รายละเอียดก็ถามหลวงปู่อันนี้หลวงพ่อทราบมาแบบคร่าวๆเพื่อกล่าวให้พี่น้องศรัทธาญาติโยมฟังว่าเนี่ยหลวงปู่เพ่งของเรา เคยอยู่กับหลวงปู่มั่นมาก่อนและก็เป็นคล้ายๆวันหลวงตามหาบัวของเราเนี่ยเป็นพระผู้ใหญ่อยู่ในบ้านหน้องผือนาในก็ว่าเป็นพี่ใหญ่ของเพื่อนก็าําเป็นจะต้องได้ใช้ใสมมเณรทํานั่นทนํานี้ถวายอง์หลวงปู่มั่นต้องเรียกหลวงปู่เรียกเณร อ, อยู่บ่อยๆนี่แหละให้ความสนิทสนมองหลวงปู่เพ่งกับหลวงตาของเรา ถาจะว่าเหมือนไปแล้วก็เหมือนกับพี่ชายที่รักเคารพของท่าน อ, องหนึ่งเหมือนกันท่านรักองหลวงตาของเรานี่แหละอันนี้ก็คือความเป็นมาของครูบาอาจารย์เกี่ยวเนื่องกันแต่สำหรับหลวงปู่ลีหลวงปู่บุญเมนั้นเป็นสิทธิ์ที่เข้ามาอยู่กับองหลวงตานะอันนี้ก็คือจิตครูบาอาจารย์ที่เข้ามาศึกษาแต่หลวงพ่อเป็นรุ่นกลางๆไปไปลายไปแล้ว ที่เขามาอยู่กับองค์หลวงตาแต่ถึงยังไงก็สมัยนั้นก็ยังเป็นผู้เข้มแข็งเออเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวคำไหนคำนั้นหลวงพ่อได้พูดให้แกคณะสัทยา ญ, ญาติโยมที่ผู้เข้าไปศึกษากองค์หลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่าหลวงปู่ล่าเนี่ยท่านสอนเราสอนเนอินเนี่ยเหมือนปู่สอนหลานจะมีอะไร ถ้าเราทำไม่ถูกทำผิดอะไรหลวงปู่ก็ทั้งดุทั้งดาแล้วก็ผลที่สุดก็พยายามพูดเบาๆเลือแนะนำแบบไม่ให้เสียใจแบบปู่สอนหลานลักษณะนั้นเ อ, อ, อันนี้คือหลวงพ่ออินอยู่กับหลวงปูล่ลาแต่มาเข้ามาอยู่กับหลวงตาปี2512นี่พอเข้ามาพรรษาที่4พรรษาที่หมาจำพรรษาที่นี่อันนี้มาพอเข้ามาแล้วอาจารย์สอนสิท หลวงตามหาบัวเนี่ยเหมือนอาจารย์สอนสิทธิ์สอนแบบเด็ดเดี่ยวฟังหรือไม่ฟังถ้าไม่ฟังอย่าให้นะอย่าให้หนักวัดนะหนีนะหนีนะอย่าอยู่นะหนักวัดถ้าตั้งใจปฏิบัติแล้วอยู่ถ้าหากว่าไม่ตั้งใจแล้วอย่าอยู่อยู่ให้หนักวัด อันนี้คือคําพูดของหลวงตาทุกองจะต้องได้ยินในยุคสมัยนั้น เ, เพราะฉะนั้นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงตาในยุคสมัยนั้นจึงรักเคารพหรือกลัวหลวงตาอย่างมากๆถ้าจะว่ากลัวก็กลัวแต่เพราะท่านมีเหตุมีผลในการแนะนําสั่งสอนของท่านนี่แหละอันนี้ก็ขอบอกกล่าวให้คณาจารย์ญาติโยมพอหลวงตาอายุมากขึ้นมาแล้ว และท่านก็ไม่ค่อยดุด่าว่ากล่าวเหมือนกับท่านเหนื่อยที่ท่านจะดุด่าว่ากล่าวแต่สมัยก่อนๆ น, นั้นถามใครผู้ใดก็เถอะในยุคสมัยนั้นที่เป็นสิบยานุสิทธิ์ขององค์หลวงตาแล้วหลวงตาเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวอาถฐานจริงจังแน่นต่อหลักพระธรรมวินยัยจะไม่หละแหละถ้าคำไหนคำนั้นพวกเราจะศึกษาดู ในธรรมเทศนาที่อบรมพระตั้งแต่ปีศูนหที่ตั้งแต่เริ่มมีเทปเนี่ยมีเทปมีหนังสือขึ้นมาพวกเราจะได้ยินเสียงท่านจนถึง2530กว่าเสียงขององคหลวงตานี่จะเด็ดเดี่ยวอาจฐานในการแนะนำดุดาว่ากล่าวพระสงฆ์ที่เข้ามาศึกษาพอต่อมา2540กว่าขึ้นมานี่รู้สึกว่าหลวงตาท่าน ไม่ค่อยจะดุดาว่ากล่าวท่านจะหนักไปทางศรัทธาญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาโปรดไปทางญาติโยมเสียมากกว่าแต่สมัยนั้นโยมไม่ค่อยได้เข้ามาหาท่านเท่าไหร่ก็นานๆจะมีแต่ส่วนพระนั้นจะอยู่เป็นประจำํำท่านจะแนะนําสั่งสอนฝ่ายพระเฆ้มงวดกวดขันในหลักพระธรรมวินยัยในกฎระเบียบในการถือธุดงการแนะนําสั่งสอนขององค์ท่าน เนถ้ามาเปรียบเทียบว่าองค์หลวงตาเนี่ยท่านในชีวิตหรือว่าชีวประวัติขององค์หลวงตาเรามาศึกษาดูแล้วหลวงตาเกิดมาเป็นผู้มีบุญเก่ามาเกิดปเุเพกตะปุญญาตาเป็นผู้มีบุญในอดีตมาเกิดเกิดขึ้นมาในสกุลโลหิต ด, ดีที่บ้านตาแข่งนี้พอเกิดมากระโยมบรรดาพ่อแม่ของท่านมีลูกหลายคน แต่หลวงตาของเราก็เป็นผู้มีสติมีปัญญาโยมบรรดาเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจพ่อแม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจตามประวัติของท่านตามไม่จริงก็เป็นอย่างนั้นดูดูแล้วที่หลวงพ่อได้ศึกษาดูแล้วท่านจริงจังจริงจริงจากนั้นเมื่ออายุ20่สิบท่านก็เป็นหนุ่มธรรมดาก็ต้องชาวบ้านนอกทั้งหลาย พอมีอายุสิบเ1็ดสิบแปดสิบ้ายี่สิบขึ้นมาอันนี้ก็ต้องชอบสนุกสนานเรื่นเริงเที่ยวเตะหาคู่ครอ ง, งพูดง่ายๆเพราะพี่ชายของท่านก็มีไปแล้วแต่หลวงตาของเราเนี่ก็น่นแหละกำลังจะติดเที่ยวติดเล่นเหมือนกั น, นพ่อแม่ไม่สบายใจหมายมั่นปันมืออยากจะให้ท่านบวชแต่ท่านก็แปลว่าเรื่องบวชเนี่ยไม่อยากจะได้ยินแหละ พอเหตุไรเพราะท่านเที่ยวเล่นพอในสุดวันหนึ่งในประวัติท่านก็เคยพูดไปบ่อยให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแต่จำยังไม่มีประวัติของท่านท่านก็พูดให้ฟังบอกว่าอนะโยมบรรดาฉลาดมากพอวันหนึ่งท่านอยากจะให้เราบวชพอถึงถึงเดือนพฤษภาท่้นบอกพ่อเป็นผู้พูดขึ้นมาก่อนบอกว่าเนี่ย พี่ชายก็อยากจะให้เขาบวชเขาก็ไม่ได้บวชเราก็อยากจะให้ลูกชายบวชเนี่ยบวชดู ด, ดูแล้วก็ชักจะติดเที่ยวติดเล่นไปเสียแล้วลักษณะทางดังอย่างนี้โคจะบวชไม่ได้ถ้าวันลูกบวชให้พ่อให้แม่ไม่ได้ก็้จะทำยังไงสำหรับพ่อเองเนี่ก็ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงลูกกี่คนต่อกี่คน สัตสราเสียงที่ข้ามาเลี้ยงลูกเนี่ยก็มากต่อมากถ้าลูกไม่บวชให้พ่อเนี่ยให้แม่เนี่ยไม่รู้จะไปตกนรกอยู่หลุมไหนอันนี้คือพ่อพูดขึ้นมาก่อนจากนั้นผู้พ่อพูดเท่านั้นแหละน้ำตาพลูออกจากหน้าเลยลงตาของเราก็เห็นน้ำตาพ่อท่านจากนั้นน้ำตาแม่ก็พลูออกมาอีกวันนั้นทันว่าโดดออกจากช้ำรับกับข้าวเลยกาลังจะกินข้าวตอนเย็น ร้องวงกันอยู่กับพี่พี่น้องๆ้องหลายๆคนหลวงตากระโดดออกจากาำรับกับข้าวกินข้าวไม่ลงกว่า น, นั้นพอออกไปในทีนี้ก็มาคิดสองจิตสองใจอันหนึง่งไม่อยากจะบวชไม่บวชให้พ่อแม่เห็นพ่อแม่ร้องไห้อย่างนั้นจะทำยังไงทำให้หลวงตาของเราใ น, ในช่วงนั้นแปลว่าเป็นช่วงที่ตัดสินใจยากลำบากที่สุดติดเที่ยวติดเล่น แล้วก็ไม่อยากไม่อยากจะบวชนะพูดง่ายๆแต่ถ้าไม่บวชก็เสียใจพ่อแม่แต่พอในสุดขั้นก็ตัดวันหนึ่งท่านก็ไม่มาทานอาหารพ่อแม่ทั้งสองสามวันคล้ายๆมาตัดชิงใจแต่กลางคืนท่านก็ย่องมากินข้าวนะทนว่านะเพราะมันหิวกลางคืนก็ย่องมากินข้าวแต่ไม่ไม่มากินข้าวร่วมวงกับพ่อแม่กับพี่น้อง สองสามวันพอวันสุดท้ายตัดสินใจอ้าวตายก็ตายเขาก็ยังบวชได้เราทําไมจะบวชให้พ่อให้แม่ไม่ได้เพียงแค่นี้นะอันนี้ท่านก็เข้ามาในวงข้าวเนี่ยพอเข้ามาก็ยังไม่ได้กินข้าวท่านก็ บ, บอกกับพ่อแม่ไปเลยอคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ผมบวชผมก็จะบวชให้แต่จะมีข้อแม้ว่าจะให้บวชเท่านั้นปีเท่านี้เดือนนะผมจะไม่บวชนะจะไม่บวชให้ถ้าตัดสินใจให้ให้ผมก่อน แต่ถ้าหากว่าจะให้ผมบวชเอาผมก็จะบวชให้บวชให้ตามพ่อแม่ที่อยากจะให้บวชแม่โคดแบบแสนฉลาดท่านว่านะลงตาท่านบอกว่าแม่บอกว่าเอาเธอลูกถ้าหากว่าบวชเข้าไปแล้วในวันนั้นออกมาจากโบสถ์พอพ่ อ, พอแม่ได้เห็นชายผ้าเหลืองเท่านั้นแหละลูกจะลาศิกเลยลาศิกขาเลยพ่อแม่ก็ไม่ว่าอะไรท่านอโอ้ใครจะไปทําได้ขนาดนั้น ลุกอ อ, ออกมาจากโบสถ์แล้วจะมาสึกเลยนต่เมื่อใครจะมาทําได้แม่แม่ของเราเนี่ยฉลาดจริงๆนะนนี้แหละคือจุดหนึ่งเป็นตัวอย่างของลูกของหลานของเยาวชนทำอะไรอย่าไปทําอย่างเอาใจตัวเองเป็นใหญ่ต้องนึกถึงพ่อแม่หัว อ, อกพ่อแม่ท่านมีความรู้สึกอย่างไรเราควรจะตามใจท่านเพราะท่านเลี้ยงดูเรามาด้วยความยากลําบากเราจะเอาแต่ใจของเราอย่างเดียว อันนี้ก็ไม่ถูกนะเนี่ยตัวตัวอย่างของหลวงตามหาบัวของหลวงตงตาของเราเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีมากหลวงพ่อว่านะอันนี้คือจุดหนึ่งะอันจุดที่สองเมื่อท่านบวชเข้ามาแล้วเมื่อเข้าไปอยู่ในวัดเนไหมท่านบอกว่าท่านไม่ไปเที่ยวเตะที่ไหนเลยเข้าไปอยู่ที่วัดโยธาอยู่ตลอดท่องเอสาหังคนนั้นไปเที่ยวที่โน้นที่นี่ท่านไม่ไปท่านอยู่ที่วัดโยธาตลอดจนได้บวชเป็นเป็นพระพอบวชเป็นพระท่านก็อยู่ พออยู่กับอุปชาอุปชาเจ้าอาวาสวัดโยธาในมิตรนะจากนั้นอุปชาท่านก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นลูกศิษย์จุฬาธมราชเจดีท่านก็เดินจงกรมพอดึกสงัดพันธท่านก็เดินจงกรมในโบสถ์จากนั้นท่านก็พักแล้วก็เดินกับนั่งภาวนาหลวงตามหาบัวเป็นนักสังเกตท่านเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วนะท่านก็เอ๊ะทำไมอุปชาท่านเดินอะไรจากนั้นก็ก็ไปถามท่าน ถามองประชาประชาก่อนเอออันนี้เราคือเดินจงกรมบวชเข้ามาแล้วต้องเดินจงกรมอย่างนี้ขาขวาพุทขาซ้ายโถพุทโถพุทโถอันนี้คือเดินจงกรมทั้งกระสาธิตหรือวิธีบอกให้องค์หลวงตาวิธีการเดินจงกรมจากนั้นก็สอนวิธีการนั่งภาว น, นาให้แ ก, ก่องุชิลวงตาของเราในปีนั้นทั้งก็เรียนนักธรรมตรีด้วยแต่นี่ออท่านก็นเรียนนักธรรมตีอ่านพุทธประวัติด้วย พร อ, อ่านพุทธประวัติท่านก็ซึงในพุทธประวัติที่พระพุทธเจ้าออกบวชทํำยังไงเพราะอะไรจากนั้นท่านก็ปฏิบัติท่านอุปชาท่านสอนให้นั่งภาวนาท่านบอกวา่าในพรรษานั้นท่านภาวนาจิตใจของท่านเข้าสู่ความสงบนี่อันนี้แหละคือจุดสําคัญจุดหนึ่งที่เห็นผลในความสงบจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนั่นแหละคือเห็น ได้ริมรถของพระธรรมเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบนัตถิสันติประมังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่อันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่หลวงตาได้รับริมรถของพระธรรมในการบวชครั้งแรกท่านก็บอกว่าพอจิตสงบคราวนั้นจิตสงบดิ่งจิตเย็นสบายมากเลยไม่เคยมีมาก่อน จากนั้นท่านก็บอกว่าพอนั่งต่อมาอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นอีกมันก็ไม่เป็นออยากจะให้เป็นเท่าไรไม่เป็นเอาถ้าไม่เป็นก็ช่างมาเรืนั่งภาวนาไปเรื่อยพอนั่งภาวนาไปเรื่อยมันจิตก็สงบเข้าไปอีกเอท่านจึงได้จับประเด็นได้ว่าเวลาจะนั่งภาวนาเนี่ยอยาอยากอยากให้มันสงบคือค้าหาเหตุผลให้มันเพียงพอ เอาเหตุผลให้มันเพียงพอในการนั่งนั่งไปเรื่อยเรืเมื่อเหตุพอแล้วผลมันเกิดเองแต่มีแต่อยากจะได้ผลอย่างเดียวเหตุไม่สร้างมันจะไม่เกิดผลนี่อันนั้นอันนี้ก็คือจุดประเด็นหนึ่งที่องค์หลวงตาที่ท่านแนะนําสั่งสอนพวกเราคนจะจําไว้จุดนี้จากนั้นท่านก็เมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็อืนั่นยังหนักแน่นยังเชื่อมั่นในทำคําสอนของครูบาอาจารย์ นักแน่นในทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านมีอุปนิสัยมาก่อนอย่างที่ว่าเนี่ยปุเพกะตะปุญญาตาท่านได้ทําบุญกุศลไว้ในอดีตชาติทั้งที่ท่านก่อนบวชท่านก็ไม่ได้มีจิตศรัทธาที่อยากจะบวชแต่พอบวชเข้ามาแล้วท่านก็เป็นผู้มุ่งมั่นจากนั้นท่านก็ออกจากวัดโยธานิมิตไปเรียนหนังสือที่นครราชสีมาจากนั้นก็ไปเรียนหนังสือทางกรุงเทพนักธรรมตรีโทจบแล้วก็ จากนั้นก็ขึ้นไปทางเชียงใหม่ไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่วัดเจดีหลวงท่านก็เรียนนักธรรมเอกพร้อมกับมาหาบเรียนได้พร้อมปีเดียวกันแต่ความมุ่งมั่นความตั้งใจขององค์หลวงตาของเราอย่างที่ว่าถ้าได้ไ ป, ปรเรียนสามแล้วจะออกปฏิบัตินี่อันนี้ก็คือจุดหนึ่งเหมือนกันคือมีจุดยืนแต่ท่านไม่ได้ทะเลทลายเออ พอจบเปลี่ยนสามเสร็จแล้วท่านก็กลับมากรุงเทพท่านจากนั้นท่านก็ลาอุปชาการแบบเขียนจดหมายลาเลยให้ท่านมาในลาต่อหน้าเพราะว่าสมเด็จมหาวีระวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุรักเมตตาองค์ลุงตาเรามากถ้าลาต่อหน้าท่านคงไม่ให้ไปท่านก็แบบกลับลาเสร็จแล้วก็มีเทคนิคในการลาเหมนนเะจากนั้นท่านก็ขึ้นมาขึ้นมาทางอีสาน กมากจำพรรษาที่อําเภอจักราดปีแรกจากนั้นท่านก็ปู่มั่นมากราบองหลวงปู่มั่นนะศึกษากหลวงปู่มั่นเอ่ออันนี้ก็คือจุดเข้าไปหาหลวงปู่มั่นจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าศึกษาเอ่อที่เข้าไปกราบหลวงปู่มั่นขององค์หลวงตาหลวงปู่มั่นสอนหลวงตาทีแรกว่ามหาเมื่อท่านมาปฏิบัตินั่นแหละท่านได้เรียนได้ศึกษามามากถ้าหากว่าท่าน จะนำปริยัตมาคิดมาปรุง อ, อ, อยู่ตลอดนะจิตใจของท่านจะปรุงฟุงงซ่านเพราะนั้นการศึกษาของท่านถึงท่านจะรีเรียนมามากขนาดไหนให้ท่านเอาไว้ในตู้ในหีบไว้ก่อนคล้ายๆแบบปิดกุญแจล็อกไว้ก่อนให้ภาวนาพุทโธเท่านั้นนีอันนี้คือหลวงปู่มันท่านสอนหลวงตาคือท่านไม่ให้เอาปริยติมาท่องบนสาทยายหรือออกมาเปรียบเทียบ เวลานั่งจะนี้จิตเป็นอย่างนั้นเจตสิกอันนี้จังเป็นอย่างนั้นจิต ม, มันเป็นอย่างนั้นจิตมันเป็นมรรคเป็นผลอย่างนี้อย่างนั้นให้ข้าจะเอาปริยัตมาเปรียบเทียบในขณะที่นั่งภาวนาท่านว่าอย่าเอามาในช่วงนี้ยังไม่เกิดประโยชน์สำหรับท่านมหาให้ภาวนาพุทโธเท่านั้นอันนี้ก็คืออาจารย์ที่หลวงปู่มั่นท่านสอนหลวงตาจากนั้นองค์หลวงตาก็ได้ยึดแนวแถวนั้น แต่จากนั้นมาท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้ภาวนาพุทโธมีแต่กำหนดดูเฉยๆกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเวลาเดินไปก็กำหนดมีสติในการเดินจากนั้นมันก็หลุดทันวันนะอันนี้คือหลวงตาท่านพูดนะมันหลุดเออมันหลุดจากนั้นว่าโอ้ทำไมมันหลุดมันเราขาดคดําบริกรรมจากนั้นหลวงตาท่านก็ไปอยู่ที่บ้าน โคกมลได้ลักษณะอย่างนั้นแหะที่ท่านพูดนะจากนั้นท่านตั้งจิตอธิษฐานเลยบอกว่าเราจะภาวนาพุทธโธเถี่ยนบริกรรมด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโทขาขวากวาพุทขาซ้ายโทเออการเวลาปัดกวาดเหวี่ยงขวาพุทเหวี่ยงซ้ายโทเวลาปัดกวาดเดินไปที่ไหนไ ม, มีสติบังคับแต่ว่าบังคับนะให้ฟังฟังไว้นะ ไม่ใช่ปล่อยตามเลยเลยตามเลยมันจะเกิดเองไม่ใช่นะ บ, บังคับนั่นว่าพอบังคับโอ้โหมันเป็นเรื่องที่หนักมากในขณะที่ท่านบังคับจิตใจในช่วงนั้นได้สามวันวันที่สามหลวงตาท่านบอกว่าวันที่สมรู้สึกว่าจิตใจรู้สึกว่ามันเข้ารูปเข้ารอยทีนี้พอวันที่สี่ที่ห้าที่นี่บังคับไม่อยากมันเป็นอัตโนมัติของมัน ใจของเราอยู่นิ่งอยู่กับตัวเองเทนีเออเหมือนมีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวเองมันไม่ได้บังคับยากกเออมีสติคข้ายๆาจิตที่เป็นอุปจาระสมาธิการเคลื่อนไหวของจิตใจรู้ได้ในการก้าวเดินในการคิดเรื่องอะไรไม่ได้ออกนอกลูนอกทางเหมือนครั้งก่อนๆ อ, อันนี้คือหลวงตาท่านบอกให้แกพวกเราอันนี้ก็คือจุดหนึ่ง ที่พวกเราควรจะศึกษาควรจะฟังเอาไว้ว่าลุงตาที่ท่านได้จุดประกายแรกนั้นคืออะไรคือท่านบังคับใจให้อยู่กับพุทธโธแต่ตอนนี้หลวงพ่ออยากจะพูดในยุคสมัยนี้อีกนะคนมันช่างคิดนะคนมันช่างคิดบอกว่าเอา้เอาทำไมลูกศิษย์ลูกหาหรือวันแถวของหลวงปู่มั่นทำไมจึงบริกรรมเอาพุทธโธมาใส่ฝ่าตีนของตอนเองขา ขาพูดขาซ้ายโถคล้ายๆกว่เหยียบพุทโธเอออันนี้จะไม่มีการเป็นการเหยียบย่ําเหรอเหยียบพุทโธไว้ในเท้าของตัวเองอันนี้คนมันช่างคิดนะแต่ตามไม่จริงอันนี้ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านบอกว่าการเปลี่ยนอริยบทเนี่ยยืนเดินนั่งนอนการเดินถ้ามันต้องเอาต้องเอาเท้าเดินก็ต้องเอาพุทโธไว้ที่ขาเดินที่เท้าเดิน เวลาเรานั่งเท้ามันก็ไม่ได้เดินมันก็หายใจเข้าออกก็ต้องเอาลมไว้ที่ปลายจมูกเอาพุทโทไว้ที่ลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็คือท่านทำมาอย่างนั้นแต่ลูกหลานสมัยนี้ช่างคิดต่อหลวงพ่อว่านะหลวงพ่อก็เลยบอกให้ตอบคำถามไปว่าใครเป็นคนพูดว่าเท้าต่ำสีสษนสูง สี ส, สูงเท้าต่ำใครเป mesan, ใ mesan, ใ ma, ็นคนให้สมมติใจของเราให้สมมติว่าเท้ามันต่ำใช่ไหมหุบสีสามันสูงใช่ไหมหรือว่าเท้า hmm, ม ok ันบอกเองหรือหัวมันบอกเองว่าข้าพปเจ้าในสูงเท้าในต่ำอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่าใจของเราเป็นคนให้สมมติถ้าว่าพวกเราใจให้ให้สมมติว่าหัวสูงเท้าต่ำเอาถ้าว่าเอาเท้ามันต่ำตัดเท้าทิ้งซะ แล้วจะให้หัวมันเดินเดินได้ไหมมันก็เดินไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่ามันอาศัยกันเพราะฉนั้นทุกส่วนของร่างกายมีความสําคัญเสมอกันหมดไม่ไม่มีที่นั่นสูงไม่มีที่นั่นต่ํามันเสมอกันมีความสําคัญเหมือนกันทั้งหมดในร่างกายของเราเพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปคิดว่าเท้าต่ํำตีงสูงมันเป็นอุปสรรคในการภาวนาของพวกเรา เนี่ยแหละขอให้พวกเราที่เป็นศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาได้ฟังได้ศึกษาไว้เท่านี้นะแต่ได้มาพิจารณาถึงพระพุทธองค์ถึงพระพุทธเจ้าบรมครูของพวกเราทําไมพระพุทธองค์จึงหนีออกจากเวียงวังไปบวชอยู่ในป่าดวงผงภัยเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านเห็นเห็นคนแก่เห็นคนเก็บเห็นคนตายต่อหน้าพูดอย่างรวบรัด จากนั้นก็เห็นสมณะทำไมท่านจึงเห็นสมณะเพราะว่าท่านเดินเข้าไปไปพักที่อุทยานของของพระ อ, องค์ไปเห็นสมณะนั่งอยู่ในต้นไม้อยู่ตามลำพังนั่งขัดสมาธินิ่งหลับตาพราะพระธองค์บอกว่าอือที่เราเห็นคนแก่แล้วก็เห็นคนเจ็บแล้วก็เห็นคนตายถ้าหากว่าเราอยู่ในเวียงวัง ก็คงจะหาโอกาสที่จะคิดกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลว่าทำไมคนจึงแก่จึงเจ็บจึงตายคงจะหาโอกาสออหาแนวความคิดค้นคิดไม่ได้เพราะเรามีภาระมากจะต้องรับภาระในการดูแลประเทศชาติอยู่ในเวียงวังมีกิจธุระภาระมากแต่ละวันแต่ถ้าว่าเรามาอยู่อย่างสมณโองเนี่ยหรืท่านอยู่ตามลาพังนั่ง ขาขวาทับขาซ้ายทำกายให้ตรงนั่งอยู่ตามลำพังนั่งคิดกันกรองไตรตรองเหตุและผลเราคงจะหาช่องทางได้เนี่แหละอันนี้นคือสิท ธ, ธัตถะที่ท่านเห็นสมณะจากนั้นท่านก็ได้สเสด็จหนีออกจากเปียงวังในคืนวันหนึ่งพร้อมกับ น, น, นายชนะจากนั้นก็ขี่ม้าขันตะกะสามชีวิต ไปถึงแม่น้ําอโนมาณทีอยู่เขตเข ต, เขตแขวงกรุงราชคฤห์จากนั้นท่านก็ได้ลงจากหลังม้านั่งอยู่โขถินจากนั้นท่านก็ได้ปองพระเกศารดพระแสงขันคือดาบตัดพระโมลีจากนั้นท่านก็ได้บวชเป็นนักบวชนักพลดในฝั่งแม่น้ําอโนมาณทีจากนั้นท่านก็ให้ในายช น, นะกับมาร์คขันตะกะ กับเพียงหวังแต่ตามตำราในพุทธประวัติว่าม้าพอเดินรับสายตาไม่เห็นสิท ธ, ธะนั่งมาด้วยม้าก็คิดถึงเจ้าของพ่อม้าแสนรู้หมาตอนนั้นก็เลยอกแตกตายจากนั้นนายชนะทำยังไงคงจะเดินมามั่งนะถ้าว่าท่านชนะยังมีชีวิตอยู่พวกเราคงจะถามท่านนะว่าท่านชนะไปยังไงเมื่อม้าขันตกะ ตายแล้วเลยจากนั้นท่านก็มาถึงเวียงหวังจากนั้นจิทตถะพุทธเจ้าของเราท่านก็อยู่ตามลําพังท่านอยู่ตามลําพังแต่มาเปรียบเทียบกับลูกหลานที่บวชมาในยุคสมัยนี้พอเขามาอยู่วัดเนี่ยเหมือนก็มาอยู่ห้องขังทุกโศกเศร้าว้าเหวอ้างว่างเงียบเหงาเศร้าสึม พอคิดถึงบ้านคิดถึงครอบครัวคิดถึงบ้านเรือนพ่อทรายเจ้าของเราไม่เป็นอย่างนั้นเพราะพ่อพทรายเจ้าของเราเมื่อไปอยู่ฝั่งแม่น้ําอโนมาณทีท่านบอกว่าท่านอยู่ตามลําพังเจ็ดวันไม่สวยภกยาหารเลยจิตใจของท่านปลอดโปร่งเหมือนกับคนที่มีนี่แล้วหายจากนี่แต่ก่อนเมื่ออยู่ในที่คุมขังมาจากที่คุมขัง เหมือนกับท่านเป็นโรคมาแต่ก่อนหายจากโรคคล้ายๆเพร า, าจิตใจของโปองคปลอดโปร่งไปหมดในขณะที่ไปอยู่ในฝั่งแม่น้ําอโนมานาทีนนเจ็ดวันนั้นจากนั้นพอวันที่แปดท่านก็ได้นําบาทเอาบาทแล้วก็เดินเข้าไปสู่กรุงราชคฤห์เพื่อบินทบาทคนทั้งหลายเห็นท่านบินทบาทก็เหมือนกับนักพลันักบวดทั่วๆไป นักพศนักบวชสมัยนั้นมีมากเพราะพระองค์ก็เป็นนักพศนักบวชสายหนึ่งเข้าไปบินในบ้านพอไปบินถบาดคนก็เห็นเขากะตักบาดเขาก็ไม่ได้ใส่หมกใส่ห่อใส่ถุงพลาสติกอย่างเนี้ยเขามีอะไรเขาก็ตักใส่บาดใส่บาดเพราะพระองค์ก็มองดูอขนาดที่เพียงพอสําหรับเราจากนั้นพระองค์ก็กลับมาพอกลับมาก็มาตั้งบาดพระองค์ก็มองดูบาด มีแต่อาหารของพระ อ, องค์นั้นอยู่ในบาตรไม่ลวกแกงอะไรไม่รู้ว่าอาหารประเภทไหนขลนปลนเปนกันอยู่ในบาตรเพราะคนในยุคสมัยนั้นเขาหมินอะไรเขาก็ะตักใส่บาตรตอนนี้พระ อ, องค์มองดูแล้วคล้ายๆก็ว่าเราจะทานได้หรือเราจะชันได้หรือเราจะสวยได้หรือ่ยเวียงวางของพระ อ, องค์นั้นเป็นอาหารอีกแบบหนึ่ง แต่มีอาหารนักพจนักบวดให้เป็นอาหารอีกอย่างหนึ่งพระองค์ก็มองดูบาทพระองค์ก็สอนพระองค์เองเอสอนพระองค์ิทธัตถะสมัยก่อนเธอเป็นพระเจ้าแผ่นดินเงินซ้อนทองสำรับกับข้าวอย่างดีแต่บัตรนี้เธอเป็นนักพจนักบวเขาให้บายอย่างไรเลยก็คงจะเสวยอย่างนั้นเพราะเขาทานอย่างนี้เขาจึงให้มาอย่างนี้ เนี่ยพระ อ, องค์สอนพระ อ, องค์เองจากนั้นพระ อ, องค์ก็คงจะหลับหูหลับตาสวยห้อือฉันปัปตหาหาด้นบาทพอฉันวันแรกผ่านไปก็เป็นอันว่าผ่านไปร่างกายก็ได้รับอาหารตามปกติจากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้พยายามทำความภาคเพียรพยายามภาวนามากมายลหลายอย่างถ้าเราศึกษาในพุทธประวัติของพระ อ, องค์แล้ว ท่านจะได้ไปศึกษากับดาบททั้งสองดาดาราบุอุตตะดาบทอย่างที่วาดสองดาบทสอนท่านแต่สอนก็สอนในแนวสมาธิไม่ได้สอนทางด้านปัญญาพระองค์ก็บอกว่าไม่ใช่ทางไม่ใช่ทางพ้นเพียงแต่ว่าเ ป, เ ป, เปลี่ยนเพียงระงับเท่านั้นเองยังไม่ใช่ที่จะถอนกิเลสราคะโทสะออกมาจากจิตใจได้จากนั้นพระองค์ก็ได้มาปรับ บำเพ็ญด้วยพระ อ, องค์เองเอตั้งอกทั้งใจมาบำเพ็ญด้วยพระ อ, องค์เองทาหลายๆอย่างผร้อมสุดพระ อ, องค์ก็อดภักยาหารที่ว่ากิเลสมันอยู่ในร่างกายเอ่ทรมานร่างกายไม่สวยภัคยาหารถึง49วันพระ อ, องค์ก็พิจารณาในพระ อ, องค์ว่าไม่มีนักพรตนักบวชไหนจะอดภัคยาหารถึงขนาดนี้ได้ อันนี้เปรียบว่าขีดเส้นแดงแล้วถ้าเกินกว่านี้ต้องตายแน่พระองค์ก็ถอยกลับมาปาสวยภักกาหารอีกอันนี้พระองค์ก็ได้ช่างใจว่าในขณะที่บำเพ็ญจะอดภักกาหารกิเลสภายในใจของพระองค์กิเลสราคะโทสะโมหะมันก็ยังมีมันยังมีอยู่มากอดภักกาหารมันไม่ใช่มันไม่ใช่หนทางที่จะทรมานกายและจะให้ใจบริสุทธิ์ได้ จากนั้นพระองค์จึงหันวิธีการใหม่นี่แหละจบแล้วคือพระพุทธเจ้าที่ท่านไปบาเพ็ญอยู่ในป่าโด่งพงไัยถึงหกปีนั้นท่านเหมือนกับไปทดลองวิทยาศาสตร์หรือไปลองทดลองอวิธีการเกษตรหรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งในหกปีนั้นแต่พระพุทธองค์ไปทดลองเรื่องจิตศาสตร์ จิตศาสตร์คล้ายๆว่าจะชำระจิตใจยังไงจึงจะหลุดพ้นจากกิเลส จ, จากจะหลุดพ้นออกจากพระไทยของพระ อ, องค์ได้อันนี้พระ อ, องค์ไปบำเพ็ญทดลองทดลองอยู่หลายปีถึงหกปีอันนี้พวกเราฟังว่าสูตรสาเร็จพระพระองค์ได้สำเร็จอย่างไรในวันเดือนหเพนนนั้นวันนั้นพระ อ, องค์เสวยพระกาอาหารเสร็จแล้วลอยถาดอย่างที่ว่านะอันนี้หลวงพ่อจะไม่พูดในรายละเอียดจะพูดแต่เฉพาะว่า ในเย็นวันนั้นวันเดเกิน6เพนนนั้นนายโสธิยะนำหญ้าคาผ่านมาแล้วก็เห็นสิทธัตถะนั่งอยู่ตามลาพังอยู่โคลนต้นโพเข่อคงใจลำบากในการนั่งจากนั้นนายโสธิยะก็นำหญ้าคาแปดกำมือเข้าไปถวายไปมอบให้สิทธัตถะเพื่อจะให้ปูนั่งเมื่อท่านสิทธัตถะได้หญ้าคา8กํามือท่านก็หาทาเลที่นั่ง อยู่ที่โคลนต้นโพนั้นท่านก็นั่งออมุมทางทิศตะวันออกแล้วก็ปูหญ้าคาลงไป8กำมือจากนั้นพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งบนหญ้าคาทําเป็นอาสนะแล้วหันพระพักหันพระพักไปทางทิศตะวันออกในเมื่อหันพระพักไปทางทิศตะวันออกแล้วท่านก็ขึ้นนั่งคัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นท่านก็เอามือขึ้นมา มือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงจากนั้นพระองค์กาหนดลมหายใจเข้านี่แหละกรรมฐานของพระพุทธเจ้านะในพวกเราทั้งหลายให้ฟังเอาไว้กรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดรู้นั้นท่านภาวนาอะไรท่านภาวนากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้น ในเมื่อจิตของพระองค์จิตไม่ส่งออกไปข้างนอกจิตอยู่ที่ปลายจมกูกมีสติสัมปชัญญะลมเข้าก็รู้ว่าลมเข้าลมออกก็รู้ว่าลมออกเหมือนกับเรายืนอยู่ข้างประตูเวลาคนขึ้นไปเข้ามาศาลาเราก็ยืนอยู่ข้างประตูเวลาคนลงไปเราก็รู้ว่าคนลงไป เราไม่ได้ตามคนออกไปเราไม่ได้ตามขนเข้ามาศาลาเรายืนอยู่ข้างประตูนี่ก็เหมือนกันท่านเอาสติสัมปชัญญะอยู่ที่ปลายจมกูกแล้วลมเข้าท่านก็รู้ลมออกท่านก็รู้เพราะนั้นพอจากนั้นมาพระไทยของผงในใจของผงรวมสงบลงเป็นหนึ่งจิตรวมเพราะมันจิตใจไม่ปุกไม่ปุงไม่ฟุง้งออกไปข้างนอกจิตใจรวมลงเป็นหนึ่ง พอรวมลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดยานรัตชนะเกิดฌานขึ้นมาเกิดยานรัตชนะปุเพเนิวาสานุสติญาณและลึกชาติผลหลังได้นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านและลึกชาติโหหลังไดเ้เป็นอันว่าหลักของพระพุทธศาสนาเนี่ยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกอและลึกเมื่อวานเนี่ยวันก่อนอาทิตย์ก่อน เ, อเดือนก่อนปีก่อนแล้วก็ข้ามภพข้าญชาติ พระ อ, องค์มียานทัศานะนาารนละลึกชาติทุนหลังเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนชาติได้จะได้บอกุเพนิวาสารุจติยานระลึกชาติทุนหลังได้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญเนี่ยทำจิตใจให้สงบอย่างสิทธัตถะและอย่างพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านแนะนําให้พวกเรานั่งสมาธิทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบรวมรวมลงเป็นหนึ่งแล้ว พวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครนี่แหละเรื่องหลักของพุทธศาสนาหลักพิสูตรเหมือนกับวิทย า, าศาสตร์พิสูตรในการปฏิบัติอย่างนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือปุเพในวาสานุตจติยานพอถึงเที่ยงคืนพระองค์ได้ยาณทัศนาเกิดขึ้นมาอีกว่าจุตูปะป า, ปาตญาณการจุดติของสรรพสัตว์ทั้งหลายวิญญาณนี้มาเกิดที่นี่มาอย่างไหนมาอย่างไร ออกจากที่นี่แล้วจะไปยังไงทําไมคนเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันบางทีคนร่ารวยบางคนก็มีสติปัญญาบางคนก็หูหนวกตาบอดบ้าใบาเสียจิตบางคนก็พิโกงพิการทําไมไม่เหมือนกันคนเกิดมาทําไมไม่เหมือนกันในคนเหมือนกันมีอวัยวะเหมือนกันแต่ทําไมไม่เหมือนกันเพราะพุทธองค์ก็เดชดูอีกว่ากล่อมเป็นผู้จําแนกสัตว์ให้มาเกิด กลัมคือการกระทําถ้าว่าผู้ใดทํากลัมดีกลัมดีก็จะตามสนองมาเกิดถ้าใครทํากลัมชั่วกรัมชั่ว ก, ก็จะพาสนองมาเกิดถ้ากลัมชั่วมาพามาเกิดแล้วเขาคนนั้นจะไม่สมบุกเออจะเป็นทุกข์แต่บุญพามาเกิดเขาจะเออเป็นผู้มีความสุขคําว่าบุญคํานี้อีกคือเหมือนกันเหมือนกับคนมีเงินมากเงินน้อยลักษณะอย่างนั้น ถ้าคนมีเงินมากเราจะซื้อสิ่งไหนก็ได้แต่เงินน้อยเขาก็มีบุญเหมือนกันแต่บุญน้อยเขาจะซื้อสิ่งของเขาก็ซื้อไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเงินเขาน้อยถ้าคนมีบุญมากเขาจะสมบูรณ์ทุกอย่างทั้งสติสั้งปัญญาทั้งทรัพย์สมบัติทั้งยศฐานบรรดาศักด์ครบหมดทุกอย่างเพราะเหตไรเพราะเขาได้ทํากรรมทําดีไว้ในอดีตชาติเขาได้สร้างบุญไว้ในอดีตนี่แหลวพระพุทธเจา้ามองเห็น จตูปะปาตาญาณการจุติการเกิดการตายของสัตว์เป็นมาอย่างไรอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆุท่านออกจากนั้นท่านก็บอกว่าคนที่ทำกรรมชั่วนั้นตกนรกไปเป็นเปรตพวกเราท่านทั้งหลายเห็นในยุคของเราเราเห็นมนุษย์เกิดมาไม่เหมือนกันแล้วพวกเรายังเห็นสัตว์ทิ่ไรฉันอีกช้างม้าวัวควายหมูหมาเป็ดไก่สัตว์ที่ไนที่เกิดมาในโลกอีกมีมากมาย แต่สิ่งที่มองไม่เห็นอีกยังมีอีกนะพระพุทธเจ้าท่าว่าภู ม, มิเทวดาลุกขะเทวดาอาการสัทธาธเทวดาสวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงพรมพรมก็มีหลายชั้นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคายังมีอีกต่างหากและก็นรกลงไปอีกยังมีอีกมันมีมากนะแต่พวกเราเห็นไหมการเป็นอยู่เมืองมนุษย์เท่านี้ก็ยังแตกต่างกันและสัตว์ที่ฉันกับพวกเราแตกต่างกันอีก อาหารช้างเป็นยังไงอาหารบัวควายเป็นยังไงอาหารเสือเป็นยังไงแต่และการเป็นอยู่ก็ไม่เหมือนกันอีกนี่แหละการใช้กรรมของสรรพสัตว์นี่แตกแต่ต่างกันนี่แหละท่านวา่กรรมชั่วอย่าทำเสลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นย่อมเผาผลาญให้โทษออไม่ดีเมื่อภายหลังอันนี้พวกเราให้ฟังเอาไว้คำรรชั่วคือค อ, อะไร อ, อ, อย่างศีลห้าที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้น นันนแหละคือกรรมชั่วเฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรมมูษาดื่มสุราอันนี้แหละคือเป็นประตูแห่งนรกถ้าใครทำอย่างนั้นแปลว่าทางไปสู่สัตว์ทิรฐิฉานไปสู่นรกไปสู่ความทุกข์ถ้าว่าใครทาอย่างนั้นแต่ถ้าว่าผู้ใดมีศีลห้าปิดประตูปิดประตูนรกมีจะไปสู่ความสุขมีจะไปสู่สวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์ สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆนี่อะไรคือพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนั้นเพราะท่านขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะฟังสังเกตและจากนั้นมาพอถึงจวนสว่างพระพุทธเจ้าได้ตัดสร้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอาสาวะขยญาญญาญอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์ได้ตัดกิเลสแล้วราคะโทสะโมหะหมดแล้วจากพระไทยของพระองค์ใจของวง บริสุทธิ์แล้วไม่มาเกิดอีกแล้วในชาติต่อไปอันนี้คือพระพุทธเจ้ารู้ด้วยพระองค์เองได้ตัดรู้หรว่าอาสาวกขยะหยาบเพราะนั้นพระองค์ตัดรู้อะไรท่านก็ว่ากิเลสราคะโทสะโมหะของพระองค์เน่ยเหดแห่งแล้วไม่มาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านคณนักจัตยาญาติโยมได้ฟังได้ศึกษาพุทธประวัติหรือแนวทาง ของหลวงตามหาบัวของพวกเรานะหลวงตามหาบัวของพวกเราเป็นยังไงที่ท่านได้มาบวชในพระพุทธศาสนาะพวกเราได้ศึกษาจากนั้นหลวงพ่อก็ได้กล่าวเกี่ยวกับพุทธประวัติให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพื่อสองอย่างให้เป็นคู่ขนานกันเพื่อเป็นการศึกษาถ้าพวกเราไม่ได้ยินได้ฟังพวกเราจะมีความรู้ความฉลาดเกิดขึ้นมาได้อย่างไร ในหลักของพุทธศาสนาใช่ไหมอ น, นิสงฆ์แห่งการฟังธรรมผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจถึ่งนั้นชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทําความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตของผู้ฟังก็จะได้รับความผ่องใสใชั่วว่าสุดตรมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง จินตามมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจินตนาไข้ควรทบทวนกันกลองไตรตรองเหตุและผลที่สิ่งที่ได้ยินได้ฟังนั้นมีเหตุผลไหมถูกต้องไหมอันนี้เรียกว่าจินตามมยปัญญาภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบทําจิตใจให้เป็นหนึ่งออจากนั้นมานํามากันกลองไตรตรองเหตุและผล อันนั้นเป็นปัญญาของพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้กานกลองไตรตรองตามเหตุและผลอย่าไปเชื่อง่ายนะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังไม่ให้พูดให้ฟังให้ฟังแล้วจะเชื่อทีเดียวไม่ใช่นะให้พวกเรากันกลองไตรตรองอีกจริงไหมที่ได้ยินได้ฟังมาเนี่ยจากนั้นเมื่อเห็นว่าเออจริงเราก็ลงมือประพฤติปฏิบัติ ตามทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์กับองค์หลวงตาของพวกเราพวกเราจะไปะสพแต่ความสุขความเย็นใจนะวันนี้หลวงพ่อจะเล่านิทานแถมท้ายอีกสักหน่อยถึงจะมีเวลาสักหน่อยก็พวกเราคงจะจะฟังนิทาน อ, อีกเรื่องหนึ่งก็มังนะหลวงพ่อจะเล่านิทานเรื่อง เ, อเรื่องนิทานประเทศพม่านะพอหลวงพ่อได้ฟังแล้วน่าคิดอย่างเหมือนกันนะคือมียายแก่คนหนึ่ง ยายแกคนนั้นเป็นคนศิลป์คนทำคนวัดคนวาคนศึกษาธรรมะเข้าวัดเข้าวาแต่เด็กแต่เล็กทีนี้เวลาไปได้ข้าวมาตำข้าวมาแล้วก็หวานให้ไก่ให้เอนกให้อะไรกินพอปีข้าวสุกมาก็ให้หมาให้แมวอให้สัตว์กินด้วยเอพ่อต่อมาทีนี้ ยายคนนี้ก็เลยสามีก็เลยตายก็มีลูกชายคนเดียวที่นี่เนี่ยพอลูกชายคนเดียวก็เลยหาหาพัญญาให้ลูกชายแต่พวกพอลูกสะพ้ายนั้นเป็นคนขี้เหนียวทีนี่ไอ้คนขี้เหนียวกับคนใจกว้างมันไม่ถูกกันได้เนีมันคนละแนวกันหันหลังให้กันเหมือนนทีนี้พอมาที่นี่ก็แม่แย่าเนี่ยก็เคยทําเป็นนิสัยมานะแต่ไหนแต่ไรมา พอได้ตำข้าวเสร็จแล้วก็ตองวานให้ไก่ให้เป็ดพวกห่านกินด้วยเอามาเลี้ยงพวกสัตว์ด้วย เ, เวลาได้ข้าวมาแล้วก็เอาควรจะแบ่งอย่างไงควรไว้กินยังไรแล้วก็แบ่งให้สัตว์กินด้วยเอพอตัวเองกินแล้วก็แบ่งให้สัตว์กินคือคนมีน้ําใจายายคนยายแก่แต่นกสไปน์เนี่ยโอ้ขนาดไก่กินแล้วกินเข้าไปในเหืียงของมาแล้วยังจะไปผ่าจากเหนื้อของมา ออกมาอีกว่างันเถอะไม่ให้ไก่กินว่านันะ น, นี่แหละมันต่างกันพอต่อมาที่นีแม่ย่ากับลูกสะพ้ยไม่เข้ากันท่านตอท น, นี้ลูกชายก็ไม่รู้จะทำยังไงลูกสะภ้ยกับแม่ยา่าไม่เข้ากันมันหัวจะแตกได้ท่านใดลูกชายช่ถ้าจะทิ้งแม่ก็เสียดายถ้าจะทิ้งเมียก็เสียดายแม่ที่จะทิ้งแม่ก็เสียดายเมียทนเอไปรู้จะเอาอยัางไงผลงที่สุดก็ ไอ้เมียนี่ันแบเป่าหูเลยๆแม่ก็แกไปเรื่อยก็ห่างไปเรื่อยเพอในสุดลูกสะพ้ายในก็เป๋าหูสามีขึ้นเรื่อยเรื่อยเืยจนถึงจุดเดือดเหมือนกันเถอะจุดแดงจนสามีฟังอะไรฟังเมียทั้งหมดทีนึงพอในสุดไอ้เมียนี่ก็เห็นว่าสามีฟังตัวเองแล้วไงก็บอกได้ไงเจ้าจะเอาฉันหรือเจ้าจะเอาแม่จเจ้า ทางสามีก็งงเลยเออแล้วเจ้าจะว่าอย่างไงเอ่อทางเมียก็บอกว่าถ้าจะเอาฉันนะเออจะต้องเอาแม่ออกจากบ้านถ้าจะเอาแม่ไว้ฉันจะไม่อยู่กับเจ้าเอาอะไรทางสามีเอาจะให้เราทำอย่างไรเราวะเออฟังคำฉันฉันก็จะสั่งเออให้เอาแม่เจ้าออกจากบ้านเลยแหะเอา ทำก็ทําเอาก็เอายังไงก็ได้เนี่ยฟังทางเมียอะไรได้สนึ่จากนั้นเราจะทํำยังไงวางแผนยังไงแต่เนี้คล้ายๆกับว่าสมัยนะั้นเสือมันมากใช่ไหมล่ะมันเสืออยู่ในป่าดงมันมากแต่เนี้็เอาไปส่วนแม่เนี่ยไปหาไปหาเก็บผักเก็บเห็ดในป่าผลที่สุดเนี่ยเราก็เตรียมเชือกไปเล ย, ยงั้นเลยไปกับไปมัด แขนเศษต้นไม้แล้วก็ผ้ามัดปากมัดตาไว้เอาไว้ในต้นไม้เสร็จนั้นเราก็เรามาและก็เสือก็กินน่จะไปยากอะไรอย่างเงยลูกสะพ้ยวางแผนเหมือนกนอะทีนี้ทางลูกชายเอา้าทำอย่างงี้ก็ทำํำก็เลยชวนแม่ไปแม่ไปหาเก็บเห็ดไปหาเก็บผักนะแม่นะไอแม่นี่นก็โอ้ลูกสะพ้ายลูกชายทําไมใจดีขนาดนี้แม่เคยปากเคยดงอยู่แล้วเนี่ย พอคุณป่าคนณดงจากนั้นก็พาไปนะพอเข้าไปไกลไกลไเข้าไปตีนเขาที่ว่าที่ว่าคนไม่ไปใกล้ไปไกลเลแถวนั้นเหมือนกันเลยเสือมันก็มากอีกต่างหากจากนั้นไปก็ดสองโภเมียกเดือมมัดแม่ตัวเองมัดมือไข้หลังใส่ต้นไม้เลยมัดมือไข้ไว้ท้างหลังแล้วก็มัดปากมัดตาเอาไว้จากนั้นสองสามีแนละ้วก็กลับบ้านเลยพอตก่ํามมาจากนั้นเลยเสือมันก็มาเลยทีนี้ เสือมันก็ร้องวาวว่ า, ววาวยายก็อยู่คนเดียวในป่าเอาผ้ามัดตายต่างหากทีนี้เสือตมันก็ได้ไม่กินคนเยนะี่ยมันได้กินคนมันก็ป้วนเปี้ยนเข้ามาใกล้เลนะเสือมันเห็นคนมันก็จะเข้ามากินคนเลยเนะีกระโดดเข้ามาลุขะเทวดาอยู่ในป่าตดงโพงไปจำแรงเป็นเทพเท พ, พดาออกมาห้ามเสือถอะนะ ยศเชื้อเหมือนเธอกินคนไม่ได้นะเราต้องพิสูจน์ดูซะก่อนว่าคนคนนี้มีศีลมีธรรมขนาดไหนเถ้าว่าคนไม่มีศีลมีธรรมเออเราไม่ว่าแต่คนมีศีลมีธรรมเจ้าไปกินคนมีศีลมีธรรมนะเจ้าเกิดตายออกจากเชือเนี่ยตกนลกมกไหมไปอีกติดภพติดชาติไปอีกเป็นกรรมเป็นเวรไปอีกนานเท่านานนะกินคนที่มีศีลนะกินคนมีศีลมีธรรมนะ เจ้าต้องรู้ก่อนเดี๋ยวเราจะทดสอบดูก่อนเทวดาเทวอดาทดสอบเทวอดาครับได้ได้ผลปีกไก่ป่านะ่ะจากนั้นก็เอาขนไก่ป่าแยงแยงเข้าจมูกยใยแกมัดต้นไม้เลยยายแกก็ไม่เห็นเขามัดตาเลยเนะี่ยพอแยงเข้าไปยายแกก็จามใช่ไหมขอใช่พุทธโธธรรมโมสังโฆพอ่อยายแกเนี่เป็นคนวัดคนวาคนศิลคนธรรมใช่ไหมละ่ะ เวลาจามที่ไรก็พุทโธธรรมโมสังโฆเงิน แ, แล้วลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เงินทุกครั้งแย่เขาอีกครั้งที่สองเงิหัดเฉยพุทโธธรรมโมสังโฆอีกถึงสามครั้งเทวดาเอ้ยเสือกินไม่ได้นะคนนี้เป็นคนศีลคนธรรมไหเห็นไหมเขามีศีลมีธรรมอยู่ตลอดเวลาเขาจามเขายังรลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในตัวของเขา ถ้าขืนเจ้ากินคนคนนี้เข้าไปนี่ยตกนรกอย่างมาแล้วยังเป็นบาปเป็นกรรมอีกนานยศอยากกินไปออกไปหากินที่อื่นเสือตัว น, นั้นก็เลยไปที่อื่นจากนั้นพระเทวดาก็เลยไปปลดเชื้อกอกจากหลังให้แก้ผ้ามัดตาออกอจากนั้นก็หาหาเงินหายทองหาทองคําหมืองกันแต่อยู่ในป่านั่น อ, อยู่ในที่เขาไปฝังไว้ เทวดาก็เลยเอาม า, อามาวางไว้ข้างๆเข า, าบอกว่ายายเออเป็นจำแรงคนเป็นคนยายจะกลับไปหาลูกชายลูกสะใภ้อยู่เหรอเออถ้าเป็นอย่างผมผมไม่กลับนะเป็นหาญาติที่อยู่ไกลๆที่รู้จักมักคุ้นยายมีไหมยายว่ามีอยู่ว้ยไม่ไปแล้วถ้าถืนไปอยู่เดี๋ยวมันจะมาฆ่าฆ่าอีกฆ่าไม่ไปแล้วฆ่าจะต้องหนีจากมันแหละลูกชายลูกสนะใภ้เนี่ย โอ้ข้าก็ไม่คิดว่าเขาจะทําลายข้าถึงขนาดนี้ข้าไม่อยู่ด้วยละปะนั้นยายก็เลยไปไปอยู่กับญาติคนอื่นเออพอไปอยู่คนอื่นเขาก็นี่แหละยายก็ได้ไหทองแต่นั้นเราแบกไปจากนั้นยายก็เลยจับใจไส่สอยทองขึ้นมาโอ้เป็นคนมีตรวยขึ้นมาแทบเลยมีเงินคําทรัพย์สมบัติไอ้สองผัวเมียเนี่ยที่เป็นลูกกับลูกสะภ้ยเนี่ยคิดว่าโอ้ แม่ยาตคงจะตายแน่และมั้งพ่อต่อมาไม่นานได้ยินกิติศักดิ์ว่าเขาว่าคนแก่คนหนึ่งชื่อว่าอย่างนั้นไปอยู่กับญาติคนนั้นมีลูกอยู่ที่หมู่บ้านนั้นแต่หนีจากลูกไปไปอยู่ที่อื่นลูกชายก็ได้ยินดิแอบไปดูดูไปด้อมดอมดอ ม, มองมองดูไปเห็นโอแม่เราจริงๆแต่ไม่กล้าเข้าไปเหมือนกันเเพราะพ่อแม่กลัวแม่จะเอาโทษเหมือนกันเลยหนีออกมา กอมากเลยเนี่ก็มาพูดกับพัดอย่าโอ้แม่ของเราเนี่ยเขาว่าได้ไหไหทองนะเอที่เราไปมัดไปนั่นนะทางลูกสะภ้ยเนี่ยก็อยากจะได้อยากจะได้ทองเท some นะะ e w, ี่บาตรเลยคนขี้โลภใช่ไหมไอขี้เหนียวกับขี้โลภมันไปด้วยกัน ooh, เด like ้ไอคนขี้เหนียวกับคนขี้โลภมันไปด้วยกันนะแต่เทนี่ก็อยากจะได้ทองเทนี่ไปผมว่าไปบอกสามีตัวเองเทนี่ไปเอาข้าไปมัดเส้ต้นไม้ต้นนั้นเหมือนกับมัดแม่ย่านะหนุ่ย เพื่อจะได้หาทองคนนั้นทังผู้ผัวเนี่ก็อยากจะได้ทองอีกเหมือนกันมันก็จะเอาไปก็ไปไปก็เลยไปมัดมใส่ต้นไม้ต้นเก่าเหมืนกันเถะพอไปมัดแขนควอยหลังอย่งมัดมัดตามัดอย่างเหมือนมัดแม่ตัวเองเนาะทีนี้ก็พอพอดึกสัง่งัดเอตอนหัวค่ำเสือเข้ามาอีกอย่างเก่าพอเสือเข้ามาทีนี้เทวดาเอ้ยเสือยศถ้าต้องพิสูจน์ดูก่อนว่าคนนี้ เป็นคนมีศีลมีธรมรมอย่างไรถ้าว่าคนมีศีลมีธรรมข้ามากินไม่ได้นะนเดี๋ยวเทวดาก็สอนอย่างเก่าสอนเสือเสือก็หยุดท่นี้ก็ลูกขาเท ว, วดาก็ไปหาขนไก่ป่านมาแยงจมูกยายลูกสะพยเนี่ยพอแยงเข้าไปท่นี้พอแยงเหัดช่วยให้เงินให้ทองอยู่ไหนพอหัดช่วยให้เงินให้ทองอยู่ไหน <laughs> ก็มันใจมันมีแต่เงินไหเงินไหทองความขี้โลภเหงืนอนกันนะพอในสวดก็เลยลูกคะเทวดาก็เลยบอกว่าเอ้เสือกินได้เออเมืองกินเข้าไปก็เหมือนกินสัตว์ที่ไรฉันทั่วๆไปนะนะไม่มีบาปมีกรรมอะไรหรอกจากนั้นเสือก็เลยขำหม่ำเล็วเงี้ยกิน ย, ยังเหลือแต่กระดูกนะ่ยจากนั้นผู้สามีอยู่บ้านก็เอ๊ะทําไมไม่กลับบ้านสักที่ไปดูดูซิพอไปดูที่ไหนได้ มีแต่กระดูกเต็มไปหมดว่างั้ยแต่กระจายกระจุยไปหมดว่าเงี้ยเสือกินนิทานเรื่องนี้คนโบราณเขาสอนว่ า, าต้องให้เป็นผู้มีน้ำใจให้เป็นผู้มีเมตตาคนที่มีน้ำใจที่มีเมตต า, อ, าอยู่ที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมอย่างองค์หลวงตาของเราเห็นไหมแท่านเป็นผู้เสียสละเป็นผู้มีน้าใจเป็นผู้มีเมตตาลูกหลานจากจาตุรทิศ หลังไหลเข้ามาเพื่อทําบุญกระองหลวงตาทําบุญกระองลงตาไม่จูใจทํำอะไหรก็ไม่จูใจเมื่อลงตายังมีชีวิตอยู่ถวายทําทบุญกระองลงตามาแล้วมาอีกทําบุญกระองลงตาเพอลงตาเป็นผู้มีเมตตาจากนั้นลงตาเห็นไหมลงตาทําที่ไหนกรรมเอาไว้มีที่ไหนเมื่อเราตายไปแล้วเงินทุกบาททุกสตางค์ ให้ซื้อทองคําเข้ากลังหลวงทั้งหมดสำหรับเราเอาไม้เอาฟืนเท่านั้นเผาอย่าใช้เงินอย่าใช้สิ่งสิ่งที่จะเกิดประโยชน์สำหรับเราเอาฟืนเผาเงินอย่าเอามาใช้อันนี้คือหลวงตาท่านสั่งลูกหลานพวกเราท่านทั้งหลายนี่แหละหลวงตามีเมตตาหลวงตามีน้ำใจต่อพวกเราเหมือนกับยายคนนั้นน่ะเออ ท่านมีขนาดคนจนท่านก็นยังเลี้ยงสัตว์สาลาสิงแบ่งปันให้แก่สัตว์กินแกคู่คนที่มาเกี่ยวข้องมีน้ำใจและยังระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อีกแต่มันตรงกันข้ามกับลูกสะั้ยเป็นคนคนขี้ตะนีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันเนเสือก็เลยกินเป็นอาหารซะวันนี้หลวงพ่อได้กล่าวสังเวชยัคา ให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้กล่าวตั้งแต่ความเป็นมาของหลวงปู่เพ่งของพวกเราแล้วก็ท่านเคยอยู่กับหลวงปู่มั่นหลวงตาท่านทาไมจึงเป็นที่ยอมรับเป็นที่รักเคารพของพวกเราสมัยก่อนท่านอยากจะบวชท่านเป็นอย่างไรท่านก็เป็นคนธรรมดามเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลาย เมื่อท่านบวชแล้วท่านตั้ง อ, อกตั้งใจอย่างไรท่านศึกษาอย่างไรแต่พวกเราก็ได้ได้ฟังที่อาตมาภาพได้กล่าวจากนั้นก็มาเปรียบเทียบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าออกบวชเพื่ออะไรท่านกลัวความแก่ความเจ็บความตายท่านไปค้นคว้าศึกษาอยู่ในป่าดงโพงพยถึงหกปีจากนั้นท่านถึงได้ตัดจรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณดูที่โคนต้นโพแอ และขอให้พวกเราฟังศึกษาแล้วนํามาประพฤติปฏิบัติด้วยว่าพระพุทธเจ้าภาวนาอะไรหลวงตาภาวนาอะไรท่านจึงได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลภาวนาพุทโธนะลูกหลานนะก็จะมีสติสัมปะชัญญานะพวกเราทําได้ก่อนหลับก่อนนอนเรานั่งภาวนาก่อนนอนนั่งภาวนากันั่งกัจสมาที่แบบภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธ ถ้าจิตใจของเราเข้าสู่ความสง บ, บแล้วจิตใจของเราจะไม่ว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเศร้าซึมเพราะใจมีหลักนะถ้าใจของเราไม่มีหลักนะเมื่อเท่าแก่ชรามาแล้วนะคิดถึงลูกคิดถึงหลานนะบน่บนเออพึมพำพุมพำอยู่เออทั้งวีทั้งวันเพราะเหตุไรเพราะใจของเราไม่มีหลักเพราะฉะนั้นพวกเราต้องตั้งหลักตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่บันนดนี้ขณะนี้แหะยังสมัยน้อยหนุ่มนะควรทําคุณงามความดีไม่ใช่ว่า เหมือนใจจะขาดแล้วจะมาสอนสมาอัลลังให้กั น, นอัลหอยอลหอยอย่างที่ว่านะการกล่าวสมโมนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจขุนภาษีรัตนตรัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเย็นใจปราถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรม ก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการเทินสาธุ